วันนี้เป็นวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของตนความสุขในโลกนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันคือความสุขทางโลก และความสุขทางธรรมความสุขทางโลกนี้ถือว่าเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขทั้งหลายที่ได้จากโลกธรรมทั้งสี่ ก็คือลาบยศสารเสริมและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพชนิดต่างๆก็จะต้องสิ้นสุดลงใจที่เป็นดวงวิญญาณก็จะไปแบบอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีความสุขอะไรติดตัวไปจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ส่วนความสุขทางธรรมนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขทางธรรมนี้จะติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วะขณะที่ยังไม่ตายความสุขทางธรรมก็จะไม่มากลายเป็นความทุกข์เพราะยังอยู่กับใจไปเรื่อยๆให้ความสุข กับใจไปเรื่อยๆทั้งในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่และหลังจากที่ไม่มีร่างกายไปแล้วความสุขทางธรรมนี้จึงเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนอาออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรพโลกอย่างพวกเรา ให้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขซึ่งถ้าไม่ได้มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไปหาความสุขปลอมกันทั้งนั้นเพราใจนั้นถูกความหลงครอบงมจิตใจความเห็นผิดเป็นชอบเห็นความสุขปลอมว่าเป็นความสุขที่แท้จริง ไม่เห็นความสุขที่แท้จริงว่าเป็นความสุขที่เกิดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้มารินไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยิ น, ไ, ไ, ดยนได้ฟังพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขปลองกันแล้วก็ต้องมาเศร้าส่องเสียใจร้องห่มร้องไห้ เวลาที่ต้องสูญเสียความสุขป้อมนั้นไปเพราะความสุขปลอมนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขทางโลกคือลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน จะเล่นได้ก็มีโอกาสที่จะเสื่อมได้เวลาได้เงินได้ทองมาได้ลาบมาก็เกิดความสุขใจดีใจเวลาที่เงินทองหมดไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาเกิดความเครียดตามมาว่าจะหาเงินเอาเงินที่ไหนมาใช้่ เอาเงินที่เคยได้มันหมดไปแล้วเคยมีมันหมดไปแล้วนี่เรียกว่าความเสื่อมของเงินทองที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามมันได้ทุกคนอยากจะมีเงินมีทองไปตลอดชีวิตแต่บางครั้งบางเวลาบางโอกาสเงินทองที่มีอยู่ก็จะหดหายไปได้ หรือรายได้ที่เคยได้มาก็อาจจะผดหายไปได้นี่คือลักษณะของความเสื่อมของลากเงินทองมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีมามีไปเวลามาก็ให้ความสุขกันแต่เวลาไปมันก็จะให้ความเครียดให้ความทุกข์กัน ถ้าไม่มองให้รอบครอบก็จะไม่เห็นความเสื่อมของราบของเงินทองที่ว่าเงินทองนี้จะต้องมีอยู่เรื่อยๆจะต้องมาอยู่เรื่อยๆแต่วันใดวันหนึ่งก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เงินทองที่เคยมานั้นมันไม่มาเสียแล้วหรือเงินทองที่มีอยู่มันก็หมดไป อเกิดความเสื่อมของราบคือเงินทองใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะจะทําอย่างไรไม่มีเงินทองก็จะไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้นั่นเองมันเป็นอนัตตาพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปเหมือนกับบินฟ้าอากาศ ฝนฟ้านี่จะตกเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามมันได้ทันใดโลกระทำคือราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆมันก็เป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราบางเวลาบางเวลาเราสั่งได้แต่บางเวลาเราก็สั่งมันไม่ได้ เวลาที่เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ mm. เวลานั้นเราก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าสศกเสียใจขึ้นมา mm. ลาบ mm hmm. คือเงินทองที่เราต้องอาศัยในการบําบัดความทุกข์นะหาความสุขให้กับเรา ม, mm. มันเป็นของไม่แน่นอนเช่น mm. เดียวกับยศคือตําแหน่งต่างๆ เวลาได้ตำแหน่งก็ดีอกดีใจกันเพราะเวลามีตำแหน่งก็หมายถึงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าตำแหน่งสูงขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นแล้วก็มีอำนาจมากขึ้นสามารถสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ให้ทำอะไรตามความต้องการได้แต่ตำแหน่งดียอดนี้ก็เป็นของที่ไม่แน่นอนครับ มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เวลาเจริญก็ทําให้ผู้ที่ได้รับตําแหน่งนายยศนั้นก็มีความสุขใจเวลาเสื่อมอเวลาสิ้นสุดเวลาตําแหน่งนั้นหมดไปใจก็เกิดความเศร้าเกิดความว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยแงาตา ม, มา สรรเสริญก็คือการได้รับการยกย่องชมเชยสรรเสริญยกย่องอเทอดทูนให้รางวีรางวัลชนิดต่างๆเช่นถ้าเป็นนักกีฬาก็มีรางวัลทางเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนักสแสดงก็มีรางวัลทาง ตุกตาทองชนิดต่างๆเวลาได้สรรเสริญก็ดีอกดีใจกันเวลาไม่ได้ก็เสียใจหรือเวลาเวลาได้การนินทาก็ไม่พอใจเดือดร้อนใจขึ้นมาแต่สรรเสริญการนินทานี้มันเป็นของคู่กันของที่มีอยู่ในโลกนี้มาเนีมาแต่ดั้งเดิม การสรรเสริญนี่ก็เกิดจากความคิดของผู้อื่นเขาคิดอย่างไรกับเราถ้าเขาคิดดีเขาเห็นว่าเราเก่งเขาก็ยกย่องสรรเสริญเราถ้าเขาเห็นว่าเราไม่เก่งหรือเห็นว่าเราไม่ดีเขาก็ตำหนิตีเตียนเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่ง ให้เขาไม่ตีเตียนเราได้ไปสั่งให้เขามีแต่ยกย่องสรรเสริญชมเชยเราเพียงอย่างเดียวได้<ม>เพราะเขาก็เป็นอนัตตา<ม>เป็นเหมือนดินเหมือนเป็นเหมือนลมที่พัดอยู่นี้ลมพัดอยู่นี่เราจะไปสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้<ม>เวลาที่ลมหยุดเราจะสั่งให้มันพัดก็ไม่ได้<ม>ฉันใดโลกธรรมคือ การสรรเส ร, ริญก็เป็นอย่างนั้นเหมือนลมพัดเสียงลมปากของคนดีๆนี่เองเวลาลมลมพัดปากคนพัดพูดเสียงดีๆก็ดีอกดีใจเวลาพูดเสียงไม่ดีก็เสียอกเสียใจอันนี้ก็คือความสุขของการได้สรรเส ร, ริญมีสรรเส ร, ริญก็จะต้องมีนินทาตามมาเป็นธรรมดา และความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสกับกรรมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะที่ถูก อ, อกถูกใจชอบอกชอบใจก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่การได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ได้ไม่ได้จะเสพได้ตลอดเวลา เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นรูปได้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่ถูกอกถูกใจก็ดีใจพอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่ถูกอกถูกใจหายไปก็เกิดความเสียใจหรือเวลาที่ได้เจอกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจ นี่แหละคือลักษณะของความสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกกระรรมมีอยู่สี่ข้อใหญ่ๆ <c oughs> คือลาบยศสลเสริญและความสุขจากการได้เศษสัมผัสคบรูปเสียงเกิจ ล, ลดโหตภะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนอกจากความไม่แน่นอนของโลกกระทรมทั้งสีนี้แล้ว สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการหาความสุขทางโลกก็คือร่างกายของพวกเราทุกคนร่างกายของพวกเราก็เป็นของไม่เชี่ยงเช่นเดียวกันเมื่อมันมีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บแล้วมีความตายไปต่อไปในอนาคตเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายจะตายหรือตายไปนี้การจะหาความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่ก็เป็นไปได้ยาก mm hmm. เพราะเครื่องมือคือร่างกายมันไม่สมประกอบเสียแล้ว mm hmm. ไม่มีเลี่ยวไม่มีแรง mm hmm. ไม่มีกำลังวังชา mm hmm. ตัวร่างกายเองก็มีแต่ความเจ็บปวดไปจากโกาครคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ ร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เสื่อมเหมือนกันการที่จะหาความสุขทางโลกได้เราจาเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงเช่นร่างกายของคนหนุ่มคนสาวเป็นต้นแต่พอเป็นคนแก่คนเจ็บหรือคนตายแล้วนี่ความสุขทางโลกก็ถือว่าสิ้นสุดลงเหมือนกันความสุขที่ได้ที่เคยได้เคยมีนรอ ที่อยากจะได้ก็จะไม่มีต่อไปก็จะทำให้ใจนั้นเจอกับความทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจอละ น, นี้คือลักษณะของความสุขทางโลกที่พระเจ้าก็ได้ทรงเสพได้สัมผัสมาในครั้งที่ยังไม่ได้ออกบวชพระองค์ก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระราชกรูมา น, นเป็น เป็นผู้ที่ห้อมล้อมด้วยโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆที่ได้เสพสัมผัสตลอดเวลาที่ต้องการ mm hmm. มีปร า, าสาทสามฤ ด, ดู mm hmm. มีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยตอบสนองความอยากต่างๆ mm hmm. คอยประเคนคอย สนองความสุขในรูปแบบต่างๆให้กับพระองค์ได้เสพได้สัมผัสแต่พอพระองค์ได้ทรงเห็นว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็ทรงเห็นว่าความสุขทางโลกนี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขรองที่ต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนอยิงทําให้พระองค์นี้ มีความรู้สึกหวาดกลัวกับความสุขทางโลกแล้วก็ทรงอยากจะไปหาความสุขทางธรรมพอเห็นนักบวชแล้วได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่จะสามารถเข้าถึงความสุขทางธรรมได้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขที่ไม่เสื่อมเหมือนกับความสุขทางโลกกระทำ คือไม่ได้เสื่อมตามร่างกายถึงแม้ร่างกายจะตายไปความสุขทางธรรมก็ยังอยู่กับใจต่อไปพระองค์ก็เลยทรงออกบวชแล้วก็ทรงแสวงหาวิธีทําให้ใจนั้นมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเจอกับความทุกข์ในที่สุดก็ทรงค้นพบตัดสั้ความสุขของพระนิพพาน ของความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดหลังจากที่ได้ทรงค้นพบความสุขทางทมแล้วก็ได้นาเอาความความรู้นี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้เมื่อได้ยินได้ฟังได้ได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ปราศจากความทุกข์ความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆอีกต่อไปความสุขทางธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบก็มีแบ่งไว้เป็นสามขั้นบันไดด้วยกันสามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการให้การเสียสละการแบ่งปันที่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานขั้นที่สองก็คือความสุขที่เกิดจากการละ ง, งับการกระทําบาปการกระทําบาปนี้จะทําให้ใจทุกข์พอไม่กระทําบาปได้ ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีความสุขและความสุขขั้นที่สามความสุขขั้นสูงสุดก็คือความสุขที่ได้จากการบำเพ็ญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมสมถภาวน า, า, วนาและวิปัสสนาภาวนา อ, อันนี้เป็นความสุขที่จะทำให้เป็นความสุข ที่ยังยืนถาวรอยู่กับใจไปตลอดความสุขในระดับทานและศีนี้ก็อยู่ได้ชั่อภพชาติหนึ่งเช mm hmm. ่นความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้ mm hmm. เวลาที่ร่างกายตายไปความสุขที่ได้ทำจาก mm hmm. ได้จากการทำบุญทำทานก็จะพาใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ mm hmm. ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง จนกว่าบุญที่ได้ทำไว้หมดลง<ม>ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาทาบุญใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วก็จะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลขั้นที่สูงต่อไปรือขั้นรักษาศีลขั้นภาวนาตามลำดับต่อไปบุญก็จ ะ, จะเจริญมากขึ้นแล้วก็จะ ไปถึงขั้นสูงสุดต่อไปพอไปถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นของพร้นิพพานบุญนี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมความสุขที่ได้จากการภาวนาขั้นระดับมิปัสนาภาวนา<ม>ก็จะทำให้ใจได้อยู่กับความสุขที่แท้จริงไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด อันนั้นเป็นระดับของพระพุทธเจ้าและระดับของพระอรหันตสาลกทั้งหลายแต่การที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันตสาลกก็ดีก็ต้องเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนก็คือการทำบุญทมทานเช่นเจ้าชายสิทธัตถะก็สละราชสมบัติมีเงินมีทองมีทรัพสมบัติมากน้อยมีราบยศส์เสริมมากน้อยเพียงรก็สละไปหมด ต้องสละความสุขทางโลกให้ได้<ม>ถึงจะสามารถเข้าสู่ความสุขทางธรรมได้ถ้ายังยินดีกับความสุขทางโลกอยู่<ม>ก็จะเสียดายไม่อยากที่จะทำบุญทำทานไม่อยากที่จะรักษาสิงเช่<ม>นคนที่ชอบดื่มสลายาเมามก็จะไม่อยากเลิกดื่มสลายาเมามมเพราะมีความสุขจากการได้ดื่มสลายาเมา หรือการได้ประพฤติผิดประเพณีชช เ, เช่นไปเที่ยวสำส่สอนกับคนนั้นคนนี้หาวความสุขกับร่วมเพศกับคนนั้นกับคนนี้ ก, ก็จะรู้สึกการที่จะมาถือศีลนี้เป็นของออย่าถ้ายังชื่นชมยินดีกับความสุขทางโลกอยู่แต่ถ้าเห็นว่าความสุขทางโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราว มันเป็นความสุขที่จะจบลงไปด้วยความทุกข์ต่างๆต้องเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องให้มันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์พอความสุขหมดไปแล้วความอยากที่จะมีความสุขยังมีอยู่ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็เป็น ความสุขที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้สั่งได้ว่าให้อยู่กับตนไปตลอดอันดีคกิน ด, นดีมันก็หมดไปหายไปได้การที่เราจะมาสวงหาความสุขทางธรรมได้นี่เราต้องทำเหมือนพระพุทธเจ้าคือเราต้องไปเห็นตัวเราแก่เห็นตัวเราเจ็บเห็นตัวเราตาย เราต้องนึกถึงอ น, นาคตของของร่างกายของพวกเราทุกคนว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางโลกในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพัชชนิดต่างๆนี้ต่อไปวันข้างหน้ามันจะมันจะไม่มีกับความสามารถที่จะหาได้ เพราะธรรมชาติของร่างกายมันก็จะแก่ไปเรื่อยๆเวลาแก่เรี่ยวแรงต่างๆก็จะถดถอยไปแล้วก็อวัยวะต่างๆของทางร่างกายก็อาจจะเสื่อมลงตาหูจมูกนิ้วกายก็จะเสื่อมลงหรือแม้แต่แขนขาก็อาจจะไม่มีกําลังวังชาที่จะพานั่างกายไปเสื่ม รูปเสียงกลิ่นรสผดทพัชชนิดต่างๆได้เหมือนที่เคยทำอยู่ยิ่งเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ถ้าจะไม่ต้องพูดถึงการเรื่องหาการหาความสุขทางโลกเลยมีแต่ความทุกข์มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดทางร่างกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดก็ ร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายไปถ้าเราไม่มองความจริงของร่างกาย ม, มันก็ยังจะทำให้เราหลงอยู่กับการที่จะไปแสวงหาความสุขจากโลกก็ะทำทั้งสี่อยู่เรื่อยๆอเราลืมกันเราลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายกันคนส่วนใหญ่นี้ไม่ค่อยเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจำได้กัน ถ้าจำได้แล้วก็จะไม่ไปแสวงหาโลกธรรมทั้งสี่มาให้ความสุขเพราะความลืมความหลงลืมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนชาวพุทธเราว่าให้มันพิจารณาอยู่อนงเงื่งว่าร่างกายของเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยย่ยอมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาพัดพากจากอะไรก็พัดพากจากโลกธรรมทั้งสี่นั่นพัดพากจากลาบยศสรรเสริญพัดพากจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพระชนิดต่างๆไม่มีใครไม่มีใครยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหัาสาวกร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ ที่ต่างกันก็คือใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอันตสาวงนี้ไม่เหมือนกับใจของปุถุชนใจปุถุชนนี่ยังติดอยู่กับการหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสีย่ยแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่หาความสุขจากโลกธรรมแล้วหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมการทาบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนา ปฏิบัติเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งนำไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองนำไปสู่ขั้นที่สามขั้นที่สามไปสู่ขั้นที่สี่ถ้าได้มีการปฏิบัติทำแล้วจิตใจก็จะเริ่มสะสมความสุขทางจิตใจไปเรื่อยๆจากระดับที่ต่ำไปสู่ระดับที่สูงมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงระดับที่สูงสุดนี่คือสิ่งที่ ถ้าเราต้องการที่จะหาความสุขที่แท้จริงคือหาความสุขทางธรรมเราต้องมองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของเราที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่และเราต้องมองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกธรรมทั้งสี่ด้วยว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมันมีวันหมดได้ มันอาจจะหมดก่อนที่ร่างกายเราจะเป็นอะไรไปก็มีเวลาที่เกิดอาการเกิดความผิดพลาดขึ้นมาทำมาหากินลงทุนอาจจะลงทุนไปแล้วไม่ได้กําไรขาดทุ น, น, นต้นทุนก็สูญหายไปหมดอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ให้มองให้เห็นความไม่แน่นอนของ ของของโลกธรรมความสุขที่ได้จากโลกธรรมจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้วันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะจากเราไปก็ได้หรือถ้ามันไม่จากเราไปเราก็อาจจะต้องจากมันไป เมื่อร่างกายของเรามันถึงแก่ความตายมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาความสุขทางโลกกระมนี้ติดตัวไปกับใจได้เลยต้องพยายามพิจารณาอ น, นิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกกระททั้งสี่มีเจริญก็ต้องมีการเสริมเป็นธรรมดามีการเจริญราบก็มีการเสริมราบเป็นธรรมดา มีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีการเจริญสรรเสริญก็มีการเจริญนินทาเป็นธรรมดามีการเจริญความสุขจากรูปเสียงกลิภภ่นรสผดสะพ้าก็จะมีความเจริญทางทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าเป็นธรรมดาตีกเลี้ยงไม่ได้ห้ามไม่ได้เลือกเอาแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มีแต่ความเจริญในราบยศสรรเสริญ ในรูปเสียงขี่รถไปเพียงอย่างเดียวสั่งไม่ได้<ม>เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาหารตามสั่ง<ม>เหมือนกับอาหารที่เราไปสั่งตามร้านอาหารเราเลือกได้วันนี้จะกินอาหารอะไรดีชนิดใดสั่งให้เขาทำมามแต่ลาบยศสละเสริญสุขนี้สั่งไม่ได้<ม>เวลาที่มันจะพลิกเวลาที่มันจะเสื่อม เวลาที่มันจะไม่เกิดมันไม่มานี่มันก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ให้คิดอย่างนี้นะมันจะทำให้เราเห็นทุกทุกที่เกิดจากความแม่แน่นอนของราบยศสรรเสริญของความสุขจากรูกเสียงกินลสแล้วก็ให้พิจารณาถึงความแม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกกระทว่ามันก็เป็นของชั่วคราว เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต้องพัดผ่าจากสิ่งต่างๆไปในที่สุด<ม>ถ้าเรามันพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วนะเราก็จะไม่หลงไม่เลว<ม>เราก็จะไม่ถูกกิเลสความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขควอมเพราะความสุขความก็คือความทุกข์นี่เอง<ม>ความสุขสุขต้นแต่เธอต้องเจอกับความทุกข์ในบ้านปลาย เวลาได้อะไรที่เรารักเราชอบมาก็มีความสุขแต่พอเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต้องร้องโหมร้องไห้กันแล้วก็โวยวายกันว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ ที่ไม่มีใครสามารถไปสั่งให้มันแน่นอนได้มันพิจารณาปลายลักษณอยู่เรื่อยๆพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกธรรมทั้งสี่พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็เช่นเดียวกันร่างกายของคนเราทุกคนนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดลง ไม่มีร่างกายของใครอยู่ไปค้ฟ้าได้อยู่ไปตลอดได้มไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่หรือจะเล็กยั<ม>งโง่หรือจะฉลาด<ม>จะเก่งหรือไม่เก่ง<ม>ก็ร่างกายของทุกคนก็เป็นอย่างเดียวกัน<ม>ก็ต้องสิ้นสุดลงที่ความตายจบลงที่ความทุกข์ถ้าอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือมในการหาความสุขต่างๆ หาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลต่าพหกก็จะต้องจบลงที่ความทุกข์เพราะสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความทุกข์ที่จะเกิดจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่ ง, งต่างๆและเห็นความที่ความที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามไปสั่งให้มันเที่ยงแท้แน่นอนได้ มันก็จะทาให้เราเกิดความาเกิดความเบื่อหน่ายได้เกิดความาเกิดความไม่ต้องการที่จะหาความสุขแบบนี้ได้และมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนวิธีการมาหาความสุขกันด้วยการมาหาความสุขทางธรรมกันเช่นก่อนหน้านี้เราอาจจะหาเงินหาทองมา ก็จะได้เอาเงินทองนี e cool ้ไปซื้อความสุขต kind of ่างๆซื้อของที่เราชอบที <s <S ่เราอยากได้อยากดูอยากฟังอยากจะดูอะไรก็มีเงินไปซื้อมาดูอยากจะฟังอะไรก็มีเงินไปซื้อมาฟังอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอะไรก็มีเงินไปซื้อมากินมาดื่มอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเงินใช้เงินอย่างเดียวซื้อความสุขแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขรอง เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องสิ้นสุดลงด้วยความทุกข์เราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่แทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองไปซื้อบุญซื้อกุศลแทนบุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับใจของเราไปนะไปเป็นเวลายาวนานอย่างน้อยก็หนึ่งภพหนึ่งชาติเป็นอย่างน้อยอ บุญที่เราทําบุญที่เราได้จากการใช้เงินทองไปไปซื้อมาเช่นเอาเงินไปทําบุญจะทําบุญแบบไหนก็ได้ใครทํากับใครก็ได้จะได้บุญคือความสุขใจเห็นใจเหมือนกันทําบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําบุญกับผู้ยากไร้ก็ได้ทําบุญกับสัตว์เลราฉานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลา ไปถ่ายชีวิตวัวควายที่เขาจะฆ่าก็ได้ <Yeah. S 2> การกระทําเหล่านี้จะทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นความสุขแท้ <Yeah. S 2> แล้วจะอยู่กับใจรับนับตั้งแต่วันที่เราได้ทํำจะไม่สูญหายไปแม้กระทั่งวันวันที่เราตายความสุขใจนี้ก็ยังอยู่ในใจอยู่ <Yeah. S 2> คนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆนี้ใจจะมีความสุขใจสบายใจ <Yeah. S 2> แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ได้ความสุขจากโลกธรรมมันก็จะลดน้อยถอยลงลงไป่าทําให้อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้ไม่ต้องฟุ้งเฟอ้เอเหอเหิมกับการที่จะต้องมีสิ่งของต่างๆมาให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทําบุญทํากุศลนี้มันเป็นความสุขที่ดีกว่าหนักแน่นกว่าอิมอ่มกว่า แล้วเวลาที่ร่างกายตายไปความสุขนี้ก็ยังอยู่กับใจต่อไปแล้วความสขนี้แหละจะจะไปพาให้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็อยู่ไปจนกว่าบุญที่เราได้ทำไว้หมดกำลังลงเราก็ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ก็จะกลับเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนาติดตัวมา เช่นกัรมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีหรือไม่เช่นนั้นถ้ามาเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็สามารถที่จะทำมาหากินทำให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมีบุญบารมีติดตัวมาด้วยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสสุขภาพ แข็งแรงเอาอาวัยวะครบสามสิบสองเป็นต้นมีจิตใจใจบุญใจกุศลกลับมาก็จะกลับมาทำบุญต่อ อ, อีก น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราใช้เงินทองมาซื้อบุญซื้อกุศลกันแทนที่ยางเงินทองไปซื้อรูปเสียงกิ่นรสผลิตภัณฑชนิดต่างๆไปซื้อของฟุง่มเฟือยไปซื้อของที่ไม่จําเป็น ซื้อของแพงๆซื้อรถราคาแพงๆซื้อคอนโดราคาแพงๆซื้ออะไรต่างๆที่มันไม่มีความจําเป็นที่ต้องซื้อเลยเพราะรถราคาถูกๆก็สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกันคอนโดราคาถูกๆก็เป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันบ้านธรรมดาก็สามารถอยู่ได้ไม่จําเป็นที่ต้องสร้างคาหาดอันใหญ่โตขึ้นมา สูญเสียเงินทองไปเปล่าประโยชน์อะไรเพราะเพราะของเหล่านี้พอพอตายไปของเหล่านี้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว uh huh. ซื้อเอาเงินที่มาใช้กับของฟุ่มเฟือยของของฟุ่งเฟือเหล่านี้มาซื้อบุญซื้อกุศลดีกว่า uh huh. แล้วเราก็จะได้มีบุญติดตัวไปมีความสุขความสุขแท้ติดตัวไปนี่คือความสุขแท้ในระดับ ทานถ้าเราได้ทําบุญทําทานแล้วจิตใจเราก็จะมีความเมตตาเพราะเรามีความปรารถนาดีทําบุญนี้เราก็ต้องการให้คนอื่นเขามีความสุขไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเราทำเพราะเรามีความเมตตาสงสารเขาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันการที่มีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาน ต่อผู้นนี้ก็จะทำให้เกิดความเกิ ด, เ ก, ดเกิดมีศีลขึ้นมาในใจทันทีใจจะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบเบียเดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะสามารถที่จะรักษาศีลได้ละเว้นจากการกระทำบาปได้ถ้าละเว้นจากการกระทำบาปได้ก็จะได้ความสุขของ ของระดับของมนุษย์และถ้าทำบุญทำทานด้วยก็จะได้รับความสุขของระดับของเทวดาแต่จะไม่ต้องไปรับความทุกข์ของของของผู้ที่อยู่ในอบายทั้งสี่ก็คือความทุกข์ของการเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็น น, น, ก น, นรกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ทำบาป ผู้ที่สามารถรักษาศีลห้าได้ทั้งห้าข้ อ, อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดมไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆถ้าไม่กระทำบาปเหล่านี้แล้วโทษของบาปคือความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดเวลาที่ไม่มีความทุกข์ใจใจก็จะสบายใจก็จะสุขความสุข ท, ที่เกิดจากการละเว้นจากการกระทำบาป ทำให้เราไม่ต้องมาวิตกกังวลหวาดระแวงกับวิบากกรรมที่เราไปทำเอาไว้ว่าจะถูกใครเข้ามาร้างแค้นมาจ้องจับเราไปติดคุกกิดตารางหรือไม่หรือมามาทำร้ายเราหรือมาทำลายเราหรือไม่เพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับใครความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งเป็นความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะมีความสุข พอมีศีลมีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาอันนี้ก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขทางธรรมอีกรูปแบบหนึง่งเป็นความสุขที่จะมาป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการกระทําบาปเกิดขึ้นมานั่นเองแล้วก็จะป้องกันรักษาใจไม่ให้ตกไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์เวลาตายไปใจก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเบลฉาน เ, นเป็นเปรตเป็นอสูรลกาย เป็นนรกนะ อ, อาบายทั้งสีนี้เป็นที่ไปสำหรับผู้ที่ทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาคาดพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะไปนรก อ, อันนี้ถ้าสามารถละเว้นการกระทำบาป จะรักษาศินห้าได้ใจก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอาบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทําบุญแต่ถ้าได้ทําบุญก็บุญก็จะพาให้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนนะครับความสุขจากการอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนจนกว่าบุญที่ได้ทําไว้นั้นหมดกําลังลงถึงจะค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไป ก็ต้องเพิ่มการการสร้างความสุขทางธรรมให้ขึ้นสู่ระดับที่สามต่อไประดับที่หนึ่งที่สองนี้ยังต้องพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอ่ายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเวียนแล้วก็กลับมาทำบุญทำทานแล้วตายไปก็กลับไปเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์พอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าอยากจะไปแบบไม่ไม่กลับเพราะการกลับมาเกิดแต่ละครั้งถึงแม้จะมาเกิดดีก็ตามก็ยังต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่เช่นเดียวกันถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ต้องปฏิบัติทมที่สูงกว่าการทาบุญทาทานการรักษาศีลนั่นก็คือการปฏิบัติจิตตภาวนาอันนี้ เรียกว่าเป็นการซักพอกจิตใจให้สะอาดกาจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความเทศต่างๆที่การทําบุญทําทานการรักษาศีลห้านี้ไม่สามารถที่จะกําจัดได้ถ้าต้องการที่จะกําจัดเพื่อที่ได้เพื่อใจจะได้มีความสุขแบบเต็มร้อย<ม>ก็ต้องมีการนําเพนจิตตภาวนา การบำเพ็จิตตภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นสมถะภาวนาและขั้นวิปัสนาภาวนาขั้นวิปัสขั้นสมถาภาวนาคือการทำใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานระดับต่างๆ mm hmm. เวลาใจเข้าสู่ฌานระดับต่างๆนี้ก็เท่ากับยกระดับจิตใจจากเทวดาให้ไปเป็นพรหม mm hmm. ถ้าตายไปก็จะก็จะไปเกิดอยู่พรห ม, มโลก แล้วก็พอกำลังชานเสื่อมลงถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่ชอบบาเพ็ญชีวิตแบบนักบวชกลับมาก็จะกลับมาบวชเป็นนักบวชเพราะชอบหาความสุขจากการเข้าชานนั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการการปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย mm hmm. จิตใจที่ยังไม่มีความสุขเต็มที่ก็เพราะว่ายังมีกิเลส ท, mm hmm. ที่ยังมาคอยสร้างความเศร้าหมองให้กับใจอยู่เรื่อย mm hmm. ต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตตภาวนา mm hmm. ขั้นที่หนึ่งก็คือสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบ mm hmm. การที่จะทำจิตใจให้สงบได้นี้จาเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับ คือต้องทำแบบนักบวชถึงจะได้ผลดีถ้าทำเป็นแบบช่วครั้งชั่วคราวเช่นทำครั้งละครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างวันละครั้งสองครั้งอย่างนี้ผลยังเกิดขึ้นได้ยากคือใจใจจะให้เขาจะ ใ, ให้ใจสงบเข้าไปอยู่ในชา น, นี้ยังสามารถยังไม่สามารถทำได้ถ้าอยากจะให้ใจเข้าไปอยู่ในความสงบของฌานได้นี้ จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับน mm hmm. ะการที่จะสามารถปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับได้ก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชก mm hmm. ารจะอยู่แบบนักบวชก็ต้องรักษาศีลแปดต้องมีการรักษาศีลแปดเป็นอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้บวชเต็มรูปแบบถ้าแบบเป็นพระหรือเป็นภิกษุณี mm hmm. ก็ให้ถือศีลแปดเป็นอบาสกอบาสิกาไป mm hmm. การถือศีลแปดนี่ก็เหมือนกับการไปบวชแล้วเพราะว่าการถือศีลแปดนี่ก็เป็นการยุติการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองก็คือไม่เสพสุขจากการร่วมเพศกันในศีลข้อสามจากของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นบ ร, รมจรรยาไม่ร่วมหลับนอนกับใคร <Yeah. S 2> แล้วก็เพิ่มศีลข้อหกไม่หไม่ให้หาความสุขจากการกินการดื่มมากจนเกินไป ให้กินให้ดื่มได้เพียงแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติจิตภาวนาเช่นเดียวกับศีลข้อเจก็ไม่ไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของมอส บ, บันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ตามแหล่งบันเทิงต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ไปหาที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติที่ตั้งอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นสถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการบําเพ็ญสมถะภาวน า, าคือการทําใจให้สงบให้ใจเข้าสู่ฌานระดับขั้นต่างๆแล้วก็ไม่ให้ ไม่ต้องสวยเสรมไม่ต้องเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตพิสดารหรือด้วยน้ำน้ำมันน้ำหอมหรือเครื่องสมางต่างๆให้แต่งตัวแบบเรียบง่าย<ม>พอมีเสื้อผ้าไว้ปกปิดอวัยวะอาบน้าําอาบท่าเพื่อให้ร่างกายสะอาดไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นก็พอไม่ต้องมาเสียเวลากับการเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าพรต่างๆด้วยเครื่องสมางต่างๆ จะเสียเวลาของการปฏิบัติไปแล้วก็ข้อแปดของศีลแปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนเพียงประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอสำหรับความต้องการของร่างกายนอนเพื่อพักผ่อนหลับนอน<ม>ถ้านอนมันฟูกหนาะๆนอนันเตียงที่สบายเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อ ก็จะเอาเวลาของการปฏิบัติให้ให้กับการนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงด้วยกันยั่งต้องนอนแบบนอนบนพื้นที่แข็งแข็งปูด้วยผ้าปูด้วยเสื่อก็พอเพราะว่าถ้ามันเป็นพื้นแข็งแข็งควร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้รีบลุกขึ้นมาเพื่อจะได้มาบาเพ็ญจิตภ า, ภาวนามาทำสมถะ ภ, ภาวนา ทำจิตใจให้สงบการจะทําจิตใจให้สงบเบื้องต้นนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสู่สมาธิได้ถ้านั่งถ้านั่งสมาธิโดยที่ไม่มีสติใจก็จะลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความฟุ้งซ่านบ้างเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาจะไม่มีความสุขในการนั่ง นั่งได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวก็จะต้องเลอกไปนี่เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้ฝึกสติมาก่อนที่จะมานั่งดังนัต้องพยายามฝึกสติก่อนการฝึกสติก็คือการควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงังนนี้ตลอดเวลาให้เปลี่ยนมาให้คิดอยู่กับคำบริกามพุทโธพุทโธเป็นต้น ให้เราอยู่กับคาบริกรรมพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถึงแม้จะไปได้เราก็ดึงกลับมาถ้าเราอยู่กับพุทโธมันก็จะกลับมาทันทีที่มันไปเพราะบางทีเรามีช่องว่างหรือเราเผลอไม่ได้พุทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้พอเรารู้ว่าเราเผลอละเรากำลังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็กลับเข้ามาหาพุทโธพยายามทั บริกรรมหรือเาลึกถึงพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้ <Yeah. S 2> ให้เอาทำทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเราไปอยู่ตามสานักปฏิบัติแล้วเราไม่มีงานอะไรต้องทําไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่คิดแต่เรื่องที่จําเป็นเท่านั้นว่าจะต้องทําอะไรบ้างต้องอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องทําความสะอาดที่พักต้องกินอาหารของเหลนี้ก็คิดได้ แต่คิดไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลามากนะ mm hmm. พอเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเราก็ไปทําในสิ่งที่เราทําขณะที่เราทำํำเราก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจ mm hmm. ต้องคอยควบคุมความคิดให้ได้มากที่สุดถ้าที่มากได้ถ้าสติมีอาการที่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆความคิดก็จะน้อยลงเบาลงใจก็จะว่างขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้น mm hmm. พอเวลามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ ใจก็จะเข้าได้อย่างง่ายได้ให้นั่งบริกรรมพุทธโธต่อไปมันก็จะอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราใช้พุทธโธนี้เราไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้เวลาที่เรานั่งสมาธิใช้พุทธโธต่อไปเรืยพุทธโธนี้สามารถใช้ได้ตลอดในทุกกิริยาบทไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนออการจเจริญสตินี่แหละก็คือการฝึกสมาธิงแต่ว่าเราไม่เรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิเราเรียกว่าเป็นการฝึกสติ เวลานั่งสมาธิความจริงก็ไม่ได้เป็นการฝึกสมาธิหรมันก็เป็นการฝึกสติเวลาเานั่งสมานั่งสมาธิเราก็มีพุโทโธพุโทโธเราก็ฝึกสติสมาธินี่เป็นผลของการที่เรามีสติพอถ้าเรามีสติเต็มร้อยแล้วร่างกายอยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉยจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินี่เป็นผลผลที่เกิดจากการมีสติ คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการนั่งสมาธิก็คือการปฏิบัติสตินี่เป็ น, ปนการเจริญสติให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าถ้าใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว<ม>ถ้าบางคนใช้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจมมลมหายใจก็เรียกอาณาปานาสติ ม, มีสติแล้วเลือกรลือยอยู่กับการกับลมหายใจเข้า แต่อาณาบนานสตินี้จะใช้ได้เฉพาะเวลาที่นั่งเฉยๆฉะนั้นเวลาที่มีการเคลื่อนไหวการดูลมหายใจนี้เป็นของยากและเป็นสิ่งที่มีอย่างอื่นต้องคอยดูแทนเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้มีสติอยู่กับการทํางานเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติอยู่กับงานที่เราทำํำเราอาจจะทําผิดพลาดได้ทําให้เกิดความเสียหายได้ในเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวของร่างกาย เราก็ต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราต้องคอยดูคอยเข้าดูว่าร่างกายเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่การเดินก็ต้องมีสติอยู่กับการเดินถ้าเผลอไปคิดเรงนั้นทั้งนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปชนคนนั้นชนคนนี้ได้เดินไปเหยียบสิ่งนั้นเหยียบสิ่งนี้ขึ้นมาได้อันนี้คือลักษณะของคนที่ไม่มีสติไม่ได้อยู่ไม่มีสติอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย งั้นถ้าเวลาร่างกายมีการเคลื่อนไหวนี้ต้องมีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถใช้คําบริกรรมพุทโธคอยกํากับอีกชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าใจมันจะลอยไปคิดเรื่องเง้นตรงนี้ก็บังคับให้ใช้พุทโธพุทโธให้กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรของร่างกายสติต้องอยู่ที่ร่างกายก่อนไม่ใช่ไปอยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่ที่พุทโธ ต้องดูว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรกําลังเดินไปตรงไหนมีหลุมมีบอ่อหรือเปล่ามีเสามีอะไรหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าต้องมีสติคอยรับรู้อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยถ้าใจคิดอยากจะใช้คำบริกรรมพุโทโธมาช่วยด้วยก็ได้แลนนี่คือการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิ ใจจะสงบเป็นสมาธินิ่งได้เต็มที่ก็ต้องอยู่ในท่านั่งเท่านั้นเองท่ายืนท่าเดินท่านอนนี่มันจะยากท่านอนมันก็จะสบายมันก็จะหลับเวลานอนสมาธินอนจเจริญสติแทนที่จะเข้าสมาธิมันจะเข้าพวังหลับเั็นก็ไม่นิยมที่จะ น, นอนสมาธิกันก็มีท่าเดินกับาท่ายืนกับท่านั่ง คือถ้าเรายังต้องเราต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีงานต้องทําอยู่เช่น mm. ต้องอาบน้ํานัน่งหน้าแปรงฟันต้องรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัว mm. ปัดกวาดทาความสะอาดสถานที่เราก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ถ้าถ้ามันจะลอยไปลอยมาก็ใช้พุโทโธมาช่วยดันยับยั้งมันก็ได้ mm. ใช้พุโทโธควบคู่กับงานที่เราทําไป mm. ใจก็จะไม่สามารถที่จะแวะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ mm. พอเรามานั่งสมาธิเราก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือใช้ลมอย่างเดียวก็ได้อย่าใช้ทั้งสองอย่างเพราะมันจะทำให้ยากต่อการทำใจให้นิ่งให้สงบใจจะนิ่งใจสงบได้ใจจะต้องมีอารมณ์เดียวใจต้องเป็นหนึ่งถ้ายังมีสองอารมณ์อยู่ยังมีพุทธเข้าโทออกอยู่นี่ยังเป็นสองอารมณ์อยู่มันก็จะเข้าสมาธิได้ยากต้องมีอารมณ์เดียว พุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวถ้าเรามีการฝึกสติมาอย่างต่อเนื่องแต่นั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบเข้าสมาธิได้ในเวลาไม่นาน5นาที10บนาทีก็สามารถเข้าสมาธิได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกสติมาล่วงหน้าก่อนเราให้นั่งเป็นชั่วโมงใจก็จะไม่สงบและบางทีบางคนนั่งสมาธิไม่เป็นที่ว่านั่งเฉยๆแล้วนั่งแล้วให้ดูจิต ดูจิตเคลื่อนไหวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้านั่งดูจิตไปใจจะไม่มีวันสงบได้เพราะจิตมันจะไม่หยุดจิตมันก็จะคิดของมันไปเรื่อยๆการดูจิตนี้ไม่ได้เป็นการหยุดจิตน <Yeah. S 1> นอกจากถ้าเรามีสมาธิแล้วมีสติแล้วพอเราดูจิตดูว่ามันคิดแล้วเราหยุดความคิดได้เท่านั้น่ะเราถึงจะดูจิตได้ถ้าเราดูจิตแล้วดูความคิดแล้วมันไม่หยุ ด, ค ว, ค, ดความคิดก็อย่าไปดูให้เสียเวลา มาดูลมหายใจเข้าออกแทนหรือมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วนับประกันได้ว่าเมื่อเดนียวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิพอใจสงบเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอืน่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วทีนี้เราก็จะสามารถมา ใช้ปัญญามาสอนใจให้เราเลิกหาวความสุขทางโลกได้ความสุขทางโลกที่เราเคยยังรักยังชอบอยู่เช่นความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เรายังมีอยู่ถึงแม้ว่าเรายังมีสมาธิแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ไม่มีปัญญาเราก็ยังจะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เรายังไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจากสมาธิมาเราก็ต้องคอยสอนใจ ไม่ให้ใจกลับไปหาไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเกิดจากความอยากเกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่ามันมีความสุขพอเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องดับเวลามันดับมันก็จะทําทให้เราทุกข์ถ้าเรามีสมาธิมีสติกําลังของสมาในระดับของสมาธิได้ เราก็สามารถหยุดความอยากต่างๆได้อันนี้ก็เรียกว่าการใช้ปัญญาเพื่อมากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปมาสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรให้กับใจต่อไปพอดีผลเริ่มตกแล้วก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแต่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ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 ครับวันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 429ท่นาน YouTube พาสุชาติ267ท่าน y youtube ดรวี46ท่านวิทยุออนไลน์8ท่านครับเท้า4ท่นนานนาคุติ150ท่านรวมทั้งหมด904ท่านครับอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจากทางหน้ากุฏินะคะถามว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยความเมตตาได้อย่างไรดีคะความเป็นห่วงพูดบ่อยก็ทำให้ทำให้กลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาทั้งเราและเขาจะปล่อยวางก็ทำไม่ได้เพราะรักเขามากค่ะตอนนี้พยายามลดความคาดหวังลงคิดว่าพอทำได้บ้างแล้วค่ะก็ให้รู้จักประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดี เราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของเราก็คือให้ความรู้เขาท่านนั้นเองเป็นครูถ้าเราคิดว่าเขาไม่รู้แล้วก็บอกเขาครั้งสองครั้งก็พอหลังจากนั้นถ้าเขารู้แล้วเขายังจะฝืนทำเด็กก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้คําถามจากทางหน้ากุดค่ะเราสามารถเรียร์ลายกระจัดกระจายผัสสะจากการเข้าธรรมะวิริยะสัมโพธชงได้หรือไม่ครับเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ครับ เรียไรยใช่ค่ะพระอาจารย์ประมาณว่าเราสามารถเรียอะไรกระจัดกระจายผัสสะจากการเข้าธรรมะวิริยะสัมพชงได้หรือไม่ครับเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับฟังไม่รู้เรื่องอขออภัยด้วย <c oughs> จากทางหน้ากุฏค่ะขณะบวช เ, เคยเคยเผอฉันพัตนาหารก่อนจเจ้าอาวาสเป็นบาปหรือไม่ครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับ ไม่บาปหรอกเป็นการเสียมารยาทผู้น้อยต้องรอให้ผู้ใหญ่เขากินก่อนเนาะผู้น้อยค่อยกินินตามกินจากทาง YouTube นะคะมาปฏบิบัติบนเขาวันที่7ด กินหนึ่งวันเว้นสามวันก่อนหน้าจะฟุ้งเรื่องอาหารเยอะมากพอถึงวันนี้ดีขึ้นค่ะแต่วันนี้อยู่ดีๆความฟุ้งสร้นก็มาเยอะตามด้วยความโกรธจนรู้สึกอึดอัดเบือ่อไม่มีความสุขขอพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะก็เผลอสติลืมสติไปไม่ได้เจริญสติพยายามดึงใจดึงสติกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอยากคิดอะไร ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจต่างๆขึ้นมาเห็นพอรู้ว่าเราเริ่มฟุ้งแล้วก็ลองแสดงว่าพุทโธหายไปแนละ้วรีบไปหาพุทโธเชิญพุทโธกลับมาครอบมาปกป้องนะรักษาใจให้เราอยู่ในความสงบต่อไปตอนนี้ยังไม่รู้สะถ่ายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีกลังพิมพ์อะไรอยู่ สตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกับรถยนต์ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกนี่เราไม่กล้าขับรถออกไปข้างนอกเพราะรู้ต้องชนกันแน่อย่างแน่นอนแต่ในถ้าเราไม่มีสติใจเราก็ต้องฟุ้งใจเราต้องเครียดขึ้นมาใจเราต้องวุ่นวายตั้งแต่ถ้าเรามีสติแล้วใจเราจะอยู่ในความสงบอยู่ในความเรียบร้อยความดีงามทั้งหลายได้งั้นเราต้องพยายามฝึกสติ ให้มีมากๆเพื่อที่เวลาที่เกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาเราจะได้ใช้สติหยุดมันก่อน<ม>สตินี้หยุดกิเลสตัณหาได้ชั่วคราวต่อไปพอเราหยุดกิเลสตัณหาได้ด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็ต้องหยุดด้วยปัญญาสอนใจว่าการทำการทำตามกิเลสนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข<ม>พอเราเห็นว่า ถ้าเราทําตามกิเลสแล้วจะไปมีเรื่องมีราวมีทุกข์มีปัญหาต่างๆเราก็หยุดความอยากของเราได้หยุดถ้าเรามีปัญญา<ม>แล้วเราก็ต้องมีสติด้วยสติเป็นตัวหยุดปัญญาเป็นตัวบอก<ม>เหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรทําตามกิเลสกิเลสจะพาให้เราไปหาความทุกข์<ม>เป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราเนียเพื่อนที่เลวร้ายที่สุดของพวกเราในใจเรานี้ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชฌานี้ ตรงนี้มันมีแต่จะมาหลอกเราให้เราไปหาความทุกข์แค่นั้นเนะี่ยโดยเอาความสุขเล็กๆน้อยๆอยมายื่นมาล่อเราอไปแล้วจะได้เงินนั้นได้ตําแหน่งได้ยศนะพอไปแล้วเดี๋ยวเขาถีบเราลงพอเขาไม่ต้องการแล้ว เ, าเขาถีบเราจก็ <c oughs> <c oughs> จะเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา <c oughs> ฉะนั้นอย่าอย่าไปทําตามความโลภตามความมันอยาหาความสุขจากความสงบดีกว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบ มีคำถามเข้ามาอยามีหนึ่งท่านค่ะจากทาง u t u b e ค่ะถือสินแปดทานสารายหรือว่าเมล็ดทานตะวันได้หรือไม่คะอันนี้เราก็ไม่รู้เนีเพราะเราไม่เคยฉันมื่ก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นข้อห้ามหรือไม่สมัยพุทธกาลมันก็ไม่มีขอเหล่านี้อยู่ก็ดูคนส่วนใหญ่ก็แกันถ้าเขากินได้แเรวก็กินตามเขาก็ได้แต่เราต้องคานึงว่าเรามาปฏิบัตินี้เพื่อลดการกิน อย่าไปกังวลกับเรื่องกินเลยเอาเป็นแบบไม่ต้องกินดีกว่าอ่ามีคำถามเหยเมื่อปีที่แล้วตอนฝนตกเจ้าค่ะหนูฟังพระอาจารย์เทศแล้วหนูเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วดวงจิตหนูก็แยกออกจากร่างกายแล้วตาหนูก็ลงไปอยู่ที่ดวงจิตกายหนูก็เป็นแก้วสใสมีจุดๆนะคะ แต่ว่าหนูไม่สามารถจะหนูยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของหนูได้จริงปัจจุบันค่ะแต่วันนั้นเห็นอย่างเช่นนั้นเจ้าค่ะยังไงนะพูดใหม่เลยไม่สามารถใช่อ่าปัจจุบันเนี้ยร่างกายก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่เป็นหนูเหมือนวันนั้นนะคะมันเป็นเออร่อรางกายกังเป็นของหนูอยู่เจ้าค่ ะ, ะยังในจิตนะคะเจ้าค่ะ แต่วันนั้นม่นไม่เป็นนะวันนั้นมันทิงแยกแยกโดนจิตหนูแยกกับร่างกายร่างกายใช้<ไ> ป, ปัญญาแยกตอนนี้บอกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเจ้าขาอตอนนี้เรามารวมกับมันอยู่แต่อยู่แบบสามีภรรยาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นเจ้านายของร่างกายใจกับร่างกายต้องแยกกันวันใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายตายไป ฝึกจิตแต่ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะว่าอันนั้นไม่ได้เกิดจากปัญญาใช่ไหมเจ้าคะอันนั้นเวลาจิตสงบมันจะแยกออกจากกันอ้าวเจ้าคะ่ะแล้วก็พอมันกลับมารวมกันเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนคอยบอกว่าเรากลเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเจ้าคะ่ะแล้วก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิบ่อยๆจะได้จะได้ไม่ลืมเวลาเข้าสมาธิใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกัน และพอออกจากสมาธิมาใจกับร่างกายมารวมกันเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วค่ะถ้าเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไปทุกข์กับร่างกายก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่เรายังหลงค it, ิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่เราต้องไม่ทุกข์กับมันเจ้วค่ะในร่านนงกายของคนอื่นเราทุกข์กับเขาไหม ไม่อ่ะนั่นแหละร่างกายของเราก็แบบเดียวกันมันไม่ใช่เราเหมือนกันนะะ้าเราดูร่างกายของเราเหมือนเราดูร่างกายของคนอื่นให้ได้ถ้าเราไม่ทุกกับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องไม่ทุกกับร่างกายอันนี้ที่ที่เราเรียกว่าเป็นของเราที่ไม่ใช่เป็นของเราอันนี้ต้องใช้ปัญญาเวลาที่เวลาที่ออกจากสมาธิมาแนละ้วมันจะมาดูเป็นตัวกัน เราก็ต้องคอยเตือนใจคอยแยกด้วยปัญญาแยกแยกด้วยปัญญากลับขอขอบคุณเจ้าคะ่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคุณมาริกาค่ะเรียนถามว่าคนที่ได้เงินมาโดยไม่สุจริตแล้วนำเงินไปทำบุญจะได้ทั้งบาปและบุญหรือไม่คะได้เงินที่ไม่สุจริตก็เงินจากการกระทำบาปก็เป็นบาปแต่พอเราไปทำบุญเราก็ได้บุญ แต่บุญนี่ไม่มาล้างบาปบาปล้างไม่ได้<ม>เป็นคนละบัญชีกัน<ม>แตม่มาแข่งแย่งใจได้เวลาร่างกายตายเวลาล่างกายตา ย, าา ย, ตายบุญกับบาปนี้จะมาแย่งแย่งใจให้ไปทางใดทางหนึ่งบุญก็จะดึงใจให้ไปสวรรค์บาปก็จะดึงใจให้ไปอบาย<ม>อยู่ว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่า<ม>บุญก็ไปพาไปสวรรค์ก่อนแต่บาปยังไม่หายบาปก็รอเวลาที่ บาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจไปอาบายต่อไปจากทาง u t u ู e ค่ะถามว่าเดินจงกรมแล้วนับจำนวนรอบไปด้วยได้ไหมคะแล้วแต่เราอยากจะนับไปทำไมลนะ่ะทำสถิติเหรอถ้านับเพื่อไม่ให้เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้แต่ถ้านับเพื่อที่จะมาดูว่าวันนี้เราเก้ากี่เดินกี่รอบไม่จาเป็นต้องต้องจ็ตสถิตินะ <c oughs> การเดินการ เพื่อเราต้องการจะหยุดความคิดต่างๆถ้าเราไปคิดเดี๋ยวก่าคิดถึงสถิติเอวันนี้น้อยกว่าวันเมื่อวานนี้พรุ่งนี้วันนี้ต้องทำให้มันมากกว่าพรุ่งนี้อะไรมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยๆงั้นอย่าคิดดีกว่า จากคุณบ b บค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่เราทำบุญทำทานแล้วหากพบชาติถัดๆไปเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผลของบุญนั้นจะทำให้เรามีความสุขจากการมีลาบด้วยไหมครับโลกธรรมกับผลของกุศลกรรมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ อ, อ๋อกุศลกรรมนี่มันเกี่ยวกับเรื่องความสุขของทางจิตใจโลกธรรมนี่นเป็นความสุขของทางโลก ซึ่งมือนไม่เหมือนกันถ้าเรายังหลงอยู่เราก็ยังจะยินดีกับราบอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญาเราไม่หลงเราก็จะไม่ยินดีกับราบเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงท่านต่อไปค่ะภาวนามีนิมิตเยอะทำอย่างไรต่อไปคะจิตยังไม่สงบสติยังไม่มีไม่พอพยายามฝึกสติให้มากขึ้น เวลานั่งก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องอย่าเผลออย่าปล่อยให้สติหายไปคำถามต่อไปค่ะขอเรียนถามค่ะคำที่พูดว่าสติมาปัญญาจะเกิดขึ้นเองเป็นจริงไหมคะลูกคิดว่าตัวเองอาจเป็นคนโง่เขลาพิจารณาสิ่งตรงหน้าไม่เป็นเกรงว่าจะได้แต่มองเห็นแต่ไม่สามารถพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ค่ะอ๋อสติมาแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ แต่ว่าถ้ามีสติก็จะสั่งให้ใจคิดไปทางปัญญาได้แต่ต้องคิดไปในทางปัญญาต้องศึกษาต้องวิเคราะห์เช่นว่าความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงก็คือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา<ม>ตอนตอนหนึ่งก็เป็นเด็กตอนหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ตอนหนึ่งก็ไปนคนแก่<ม>ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ถึงจะได้ปัญญา ถ้าไม่มีสติใจจะถูกกิเลสดึนไปคิดทางทางกิเลสเราาให้ร่างกายเราต้องแข็งแรงสมบูรณ์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกิเลสมันจะพาให้ไปคิดอย่างนั้นมันจะให้เราคิดว่าร่างกายเราเป็นของเที่ยงแท้นแน่นอนแต่พอเรามีสติปับ๊บเราก็สามารถที่จะสั่งใจไม่ให้ไปคิดในทางนั้นได้ให้มาคิดในทางความเป็นจริงคือความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงมีเกิ ด, ม, กดมีดับเป็นธรรมดา ถ้าไม่มีสติก็คิดทางปัญญาไม่ได้แต่ปัญญาไม่เกิดจากการมีสติดโดยอัตโนมัติจากคุณพลอยค่ะเจอเหตุการณ์สุนัขกระจนใส่จะ ก, กัดเมื่อเดือนที่แล้วตั้งแต่นั้นมาฝันร้ายว่าหมาตัวนั้นจะมากัดทุกคืนหวาดกลัวมากลุกขึ้นสวดมนต์ก็ไม่หายควรแก้อย่างไรดีเจ้าคะต้องยอมเจ็บยอมตายถึงจะหายจากคุณพีรพันค่ะ ผมเห็นผมเห็นและรู้สิ่งที่เข้ามากระทบทุกอย่างแต่สิ่งที่เห็นและรู้นั้นไม่มีความหมายไม่มีคำอธิบายไม่มีความคิดหรือความจำต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นและรู้สึกจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีอะไรสภาวะนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะเกิดขึ้นอยู่ระยะหนึ่งแล้วหายไปวันหนึ่งเกิดขึ้นหลายรอบครับอาการแบบนี้คือสภาวะอย่างไรครับเจิตว่าไง จิตไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆไม่มีความรักความชังไม่มีความกลัวความหลงก็สงแสดงว่าจิตอยู่ในความสงบก็เรียกจิตว่าง คุณมาริกาค่ะเรียนถามเขาว่าควรเดินจงกรมทําไมจะต้องเดินไปแล้วเดินกลับคะสามารถเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเดินกลับได้หรือไม่คะถ้ามีที่เดินไปได้ก็เดินไปเลยเช่นเดินรอบเจดีย์เดินไปได้เดินรอบเจดีย์เดินไปเรื่อยๆกี่รอบก็ได้ไม่ต้องเดินกลับที่ก็ต้องเดินกลับเพราะทางเดินมันสั้นไงเดินประมาณ25ก้าว49มันก็หมดทางเดินแล้วก็ต้องเดินกลับ แต่ถ้ามีทางเดินแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องกลับก็เดินไปได้มันก็ต้องกลับมาอยู่ดีเนะี่ยเพราะไม่มีที่ที่จะเดินไปแล้วไม่กลับมาหรอกเพราะเราก็ก้ออยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดคุณเมธีค่ะกับเยนถามพระอาจารย์การสวดมนต์ที่ถูกต้องควรสวดอย่างไรครับและเวลาสวดอิติปิโสหรือพาหงุงหรือบุตรบทอื่นๆต้องสวดอาราธนาอะไรก่อนหรือไม่ครับ การสวดมนต์ที่ถูกต้องก็คือการสวดแบบมีสติคือใจไม่ลอยไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่เราสวดถ้าพุโทโธถ้าสวดอิติปิโสก็อยู่กับอิติปิโสไปอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงเพื่อนอย่าไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปการสวดมนต์นี้จะอาลาธนาหรือไม่อาลาธนานี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของพิธีกรรมนั่นเองการสวดมนต์ทางการปฏิบัติในสวดเพื่อให้มีสติ นั้นจะสวดบทไหนจะลาธนาก็ได้เมล า, านาก็ได้ไม่สําคัญก็สําคัญก็ให้มีสติไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองตอนนี้ยังไม่มีค่ะหลวงพ่อโอเคไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงเําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด